ท่านฟังที่ครอค่ารายการสัรมนาสนทนาค่ะหลายท่านใจจดใจจอนะคะนอกเหนือจากที่ได้ปฏิบัติธรรมกันแล้วฟังพระสูตรแล้วรอคอยค่ะว่าประวัติของพระพุทธองค์พุทธประวัติจากพระโอษฐและอริยสัจรี่ซึ่งท่านภับูรณพระภบูรณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโอุดรธานีมอบให้พวกเราเป็นพิเศษช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ตอนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง <c oughs> าก็ไปพบกับพระอาจารย์กันเลยกันแล้วกันนะคะ นมรส ก, การค่ะท่านคะใช่เช่นพอนค่ะวันนี้วันพระค่ะจ้ะวันพระก็เป็นวันที่ควรจะฟังธรรมเนอะค่ะแต่ว่าบางคนก็คงจะมีกิจกรรมหลายอย่างที่เพิ่มเติมอย่างเช่นใส่บาตรบ้างทําอย่างอื่นบ้างนะค่ะท่านคะคือในส่วนของคารวาสเนี่ยเราก็พอเข้าใจว่ากรสุดแท้แต่มีศรัทธายอย่างไรแต่พระในวันพระมีอะไรพิเศษไหมคะก็พระภิกษุก็จะไม่ได้หยุดงานนะวันพระแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็อย่างวัดป่าท่าไหนโศกก็จะมีชาวบ้านในวันพระในช่วงเข้าพรรษาก็จะมารักษาศีลที่วัดเพราะฉะนั้นในในวันอย่างนี้ก็แสดงธรรมหลวงพ่อท่านก็จะมาแสดงธรรมบางทีก็เอาพุทธวัจนามาอ่านให้แก่กันและกันฟังช่วยพัฒนาวัดบ้างอะไรบ้าง<อ>แล้วก็สงฆ์ก็จะมีหน้าที่แสดงธรรมบางกันเถอะค่ะถามอีกนิดได้ไหมคะว่าโยมที่มารักษาศีลเนี่ยมาค้างกันด้วยไหมคะ แล้วก็ส่วนใหญ่จะอายุเท่าไหร่โยมที่มาวัดเดี๋ยวนี้คะก็รักษาอุโบสถศีลเป็นเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอ๋นะอศีลแปดศีลใช่ศีลแปดค่ะแล้วก็ามาทําอะไรกันบ้างก็ค้างวัดหนึ่งคืนใช่ไหมวันรุ่งขึ้นก็ตอนเช้าก็กลับก็มีกิจกรรมทําวัดสวดมน์แล้วก็พูดที่มานี่ก็จะเป็นแม่บ้านนะที่อยู่ที่บ้านผู้ชายก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยกลางคนขึ้นไปแล้ว ค่ะเดียวฉันอยากจะสายภาพให้กับคนยุคหลังถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วบางทีไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะคะอืมใช่ใช่คือสังคมมันเปลี่ยนนะคะท่านคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็จะมีคนรุ่นรุ่นใหม่เข้ามาบ้างบางทีก็มีคนวัยรุ่นก็นานๆมาครั้งหนึ่งมากับยายบ้างย่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะ มันก็เป็นสังคมชาวพุทธในต่างจังหวัดที่อุดรธานีวัดป่าดอนหายสงทีนี้ตัดกลับมาที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 มร้อยหละละ่ะ <Okay. S 2> จะรบกวนให้ท่านได้เล่าต่อค่ะสำหรับพุทธประวัติค่ะวันนี้พุทธประวัติที่จะพูดต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือยังอยู่ในเรื่องของวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า <Okay. S 1> ใช่มในคราวที่แล้วที่เราได้พูดว่าโอ้เจ็ดปีอย่างมากนะถ้าทาอย่างที่พระองค์บอก ทำอย่างที่บอกเนี่ยก็เคยได้ระบุรายละเอียดไวนะ้ที่บอกว่าเมื่อเราแสดงทาอยูนะ่เธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนนะคนแบบไหนก็คือคนที่คนตรงนะมีวาจาไม่อโอ้อวดใช่ไหมมีสัญญามีสัญชาติอย่างคนตรงไม่มีมันยาซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าขยายความเอาไว้นะว่ามีองค์ประกอบ5อย่างนะคืออย่างแรกเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธา ศนะรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่นะว า, าพระพุทธเจ้ามีจริงเป็นผูต้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมีคุณสมบัติต่างๆอย่างที่บทพุทธคุณเก้าที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำอิติปิโสนั่นแหะน ะ, ะนี่คือคุณสมบัติข้อที่1ข้อที่สองเนี่ยบุคคลประเภทนี้ต้องเป็นคนที่มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีธาตุไฟสําหรับย่อยอาหารอย่างสม่ําเสมอนะคือไม่ป่วยง่ายว่างั้นเถอะแล้วก็อย่างที่สมเนี่ยเป็นคนที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยา หมาความว่าเป็นผู้ที่เปิดเผยตนเองตามที่เป็นจริงคือทําผิดก็บอกนะไม่ปกปิดเอาไวนะ้แล้วอย่างที่4นี้ก็เป็นคนที่ปรารบความเพียรในเพื่อละอกุศลแล้วก็ทํากุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นคนหนักแน่นบักบันนะในการที่จะทํากุศลธรรมในจิตแล้วก็อย่างที่หนะ้าถ้าประกอบด้วยความที่มีปัญญานะทําให้เห็นถึงความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในธรรมต่างๆ5อย่างเนี้ จะทําให้เมื่อฟังธรรมของผู้เช่าอยู่แล้วก็ปฏิบัติอยู่อย่างที่สอนเนี่ยผู้เช่าก็ฟันธงเอาบายว่าเจปีไม่เกิดโอ้ยอย่าพูดถึงเจปีเรากปีก็ได้บางคนก็เป็นไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงแสดงเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีกรณี้ตอนนี้องค์ประกอบ5้าอย่างนี้ก็คือศรัทธามีความอัมาพาตน้อยเป็นคนไม่โอโอวดมีความเพียรแล้วก็เป็นผู้มีปัญญ า, าแล้วเราจึงบอกว่าถ้าใครก็ตามนะ แหมมีคุณสมบัติห้าอย่างนี้มากบ้างน้อยมากนะมันแหมควรจะต้องทําให้ได้่ะตมาจึงพระพุทธเจ้าจึงพูดไปอีกที่หนึ่งนะว่าถ้าเผื่อว่าเห็นความไม่เที่ยงเป็นคนที่เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำอะ่ะก็อย่าเพิ่งตายเลยถ้าทําถ้ายังไม่สามารถทําให้แจ้งได้ซึ่งโสดาปฏิผลก็อมี<ะ>อมในส่วนของพุทธประวัติก็ยังมีอีกนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้า บอกว่าการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยสามารถให้คนอื่นสอนตามได้นะคือไม่ใช่ว่าตัวเองสอนได้คนเดียวนะแต่สอนแล้วคนอื่นเอาไปสอนต่อได้ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นเทวดาก็ทำได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในเทวดาบนชั้นดาวดึงขอไชั้นดาวดึงใช่ก็จะมีสถานที่ที่แสดงธรรมอยู่ชื่อธรรมสภาเขาเรียกว่าสุธรรมสภาของท้าวสกเทวราสร้างเอาไว้ อ๋อมีจริงๆคริงันนี้พระเจ้าเล่าให้ฟังคงก็เป็นพุทธวจนะอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ธ<อ>รรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยที่บอกว่าคนอื่นสอนตามได้ น, นี่มันอะไรกันแน่ถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็ยังบอกอีกว่าแม่คําสอนของพระองค์เนี่ยนะมันสุดยอดของสุดยอด สุดยอดของสุดยอดคือยังไงคือเหมือนกับเครื่องดื่มที่เขาทําอย่างดีแล้วคือคนอินเดียเนี่ยเขาจะมีเครื่องดื่มประเภซหนึ่งที่ทําจากเอานมมาต้มใช่ไหมเอานมมาต้มแล้วก็ใส่ก็เรียกว่าจุลินซีลงไปเนี่ยพอต้มแล้วมันก็จะแยกชั้นออกมาเป็นเนยเนยนั้นก็เอามาต้มอีกแยกชั้นออกมาเป็นเนยใสเนยใสนั้นเอามาต้มอีกเป็นหัวเนยใสหัวเนยใสเนี่ยเอามาผสมกับน้ําตาลแล้วมันจะออกมาเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เรียกว่าลาซี ค่ะซึ่งอ่าที่เขาแปลในพุทธประวัตจากพระโอษฐ์เนี่ยเขาเรียกว่าน้ําดื่มที่ชื่อว่ามันทะอน้ําเป็นเหมือนกับอแหม่มันรสชาติมันเข้มข้นมากว่าอย่างนันเถอะก็คือเอาเป็นยอดของยอด อ, อ่ะอออืืมคค่่ะะถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับชาวจีนเขาเคยทําเต้าหู้ใช่ไหมเขาก็จะเอาฟองเต้าหู้เนี่ยที่ลอยอยู่บนผิวหน้าเนี่ยทําเป็นลักษณะของอาหารประเภทหนึ่งซึ่งเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าประณียดว่ายอย่างนั้นเถอะ ค่ะแล้วก็ในการนี่คือลักษณะธรรมะที่สอนโดยพระองค์นี่คือเรื่องของพุทธประวัติในส่วนของวันนี้นะค ะ, ะพระพรทองค์ดิฉันว่ากระทรวงสาธารณสุขเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะคือสนับสนุนให้คนที่อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือว่าต้องพยายามทำตัวให้แข็งแรงอย่าป่วยเพราะเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่จะทาให สามารถที่จะบรรลุทําได้เร็วตรงนี้มีแง่มุมนิดหนึ่งที่ว่าคุณโยมถึงพูดถึงไม่ป่วยไม่ป่วยเนี่ยนะพระเช้าพูดถึงความที่ต้องมีธาตุไฟย่อยอาหารสม่ําเสมออื่าเพราะว่ามันจะป่วยไม่ป่วยมันก็อยู่ที่ธาตุทั้งสี่เนี่ยมันจะมาดุลหรือไม่สมดุลค่ะอ่าซึ่งพระเช้าก็พูดถึงธาตุไฟตรงนี้ค่ะอืมก็เป็นอันุภาวันนี้เท่านี้หรือเปล่าคะสําหรับคาสํหรับพุทธประวัติค่ะในส่วนของอริยสัจสี่ เรื่ยสัตวีตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของตัณหาอยู่เหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์เราก็ว่าด้วยอาการที่ตัณหาทําให้เกิดทุกข์คือตัณหาเนี่ยมันทําให้เรามีทุกข์ได้ยังไงมันมันคือตัณหาน่จริงๆเป็นเหตุของความทุกข์นะตัณหาไปติดอยู่กับอะไรสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ของเราทันทีทีนี้อาการที่มันจะทําให้มันพลิกพลิกผันผิดพลิ้วไปยังไงทําให้จิตของเรามาเป็นความทุกข์ได้ก็ต้อง เข้าใจการทํางานของเขาซะหน่อยหนึ่งก็คือว่าพอจิตของเรามีตัณหาเนี่ยมันจะมีความยึดพอมีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็จะมีแสดงว่าจิตของเราเข้าไปสร้างภพในสิ่งนั้นพอมีภพแล้วเนี่ยก็จะมีการเกิดพอมีการเกิดก็จะมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรําพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจตรงนี้เพราะฉะนั้นอาการที่ทําให้จากตัณหากลายเป็นความทุกข์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ นะก็คือจากตัณหาก็จะไปเป็นความยึดจากความยึดก็จะไปเป็นภพจากภพนี่ก็จะไปเป็นความเกิดแล้วก็ความทุกข์ตามลำดับค่ะคือหมายถึงว่าเมื่ออยากได้ปุ๊บมันก็จะมีการยึดหรือไม่อยากได้ก็จะไปยึดใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วแล้วมันก็เลยไม่จบไม่สิน้นใช่ทีนี้ว่ า, เ, าเราก็ต้องเข้าใจเอาแล้วตัณหาอยู่ๆมันมาได้ไงอะไรคือเหตุของตัณหาใช่ท่านก็ พระเจ้ก็ได้บอกว่าเหตุของตัณหา this is the feeling. ถ้าเธอมีความรู้สึกชอบความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่สุข ก, ก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยก็ยังจะเป็นผู้ที่ต้องมีตัณหาอยู่แล้วเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมา ล, ายลอยๆมันต้องมีเหตุเหตุของเขาก็คือปัจจัคือการกระทบนะอย่างตากระทบรูปอย่างเงี้ยจิตเข้าไปรู้นั่นก็คือปัจจัเป็นต้นอันนี้เหตุของปัจจัก็คือการที่เรามี ตาหูจ ม, มูกลิ้นกายคืออายตะนะเหตุของการที่มีอายตะนะนั้นก็คือการที่เรามีนามรูปจิตของเราก้าวลงไปสู่นามรูปจิตที่เรามีนามรูปเพราะว่าจิตของเราเข้าไปรับรู้ได้คือวิญญาณมาเหตุที่มีวิญญาณเพราะว่าจิตของเรามีการปรุงแต่งอยู่ยังมีสังขารอยู่ที่จิตของเรายังมีการปรุงแต่งอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าจิตของเรายังเป็นมีอวิชชาคือยังไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ค่ะทีนี้พระเจ้าก็เลยสาวกลับให้ว่า อ๋อมันมีอวิชาเป็นต้นเหตุของตัณหาฟัางกันเถอะค่ะมีความไม่รู้ใช่ไม่รู้ในอริยาสัจสีถูกต้องค่ะไม่รู้ในอริยสัจสี่ทำให้จิตของเราเนี่ยต้องเข้าไปปรุงแต่ ง, ป ร, ง, ตงปรุงแต่งเดี๋ยวต้องปรุงแต่งทางกายวาจาใจคือไม่รู้ว่าเวลาเรามีอะไรมากระทบใช่ไหมเราอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องปรุงแต่งตอบค่ะทีะนี้ว่าไอ้อย่างเจ้าอาวิชาเนี่ยคือความที่เราไม่รู้ในอริยาสัจสีเนี่ยยุยุมก็ไม่ได้เกิดขึ้นมามันก็จะต้อง มีอาหารก่อนแต่พระเจ้าก็ไล่ถึงอาหารของอภิชาเนี่ยว่าก็คือไอ้เจ้านิวรันคือเครื่องกังกันห้าอย่างเครื่องกังกันนี่ก็คือว่าเหมือนกับเครื่องมาเหมือนกับเมฆอย่างเงี้ยท้องฟ้าถ้ามีเมฆมาปกคลุมหมดมันก็มืดมองไม่เห็นนะละักษณะ น, นี้หรือว่าดวงจันทร์ที่มีจันทรุ ป, ปราคาก็จะทําให้มืดไปเลยเพระเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้นิวรันก็คิดว่าทุกท่านคงทราบอยู่เนาะมี ความอยากใช่ไความพยายามบ่าดความงงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านําคารใจแล้วก็ความคลืบแคลงระบางสงสัยทีนี้เจ้านิวรณ์น้อย่างเนี่ยมันก็มีอาหารของเขาอาหารของเจ้านิวรณเนี่ยก็คือการที่มีทุจริตสามประการทุจริตทางกายวาจาใจคนพูดพูดไม่ดีคิดไม่ดีกระทำไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้นิวรณเกิดได้ ทีนี้คนที่มีทุจริตทางกายวาจาใจเนี่ยมันก็ต้องมีอาหารนะอาหารของเขาก็คือการที่ไม่สมรวมอินทรีทีนี้การไม่สมรวมอินซีเนี่ยคือหมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่รู้จักสมรวมนคนมันจะไม่สมรวมอินทรีมันก็มีเหตุของเขานั่นก็คือการที่ไม่มีสติสัมปชัญญะดังนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้มีการสมรวมอินทรีใช่ไหมพอมีการสมรวมอินทรีย์แล้วก็จะทําให้อ่า พอไม่มีการสํารวมอินทรีย์นั่นก็จะทำให้ทุจริตทั้งสามกายวาจาใจเนี่ยเกิดขึ้นพอมีทุจริตทางกายวาจาใจเกิดขึ้นก็จะทำให้จิตนั้นมีนิวรณ์พอจิตมีนิวรณ์มากเข้ามากเข้ากันนี้ก็จะเป็นอาหารของอวิชาลักษณะนี้ค่ะส่วนอวิชาเนี่ยที่มาทำให้ที่มนทาให้เกิดตัณหาเนี่ยนะถามว่าไอ้เจ้าตัณหาเนี่ย ที่มันเป็นศูนย์เข้าไปในเกี่ยวข้องกับขันทั้ง5้าเนี่ยไปเกี่ยวข้นตรงไหนก็คือว่าเวลาที่ไอขันทั้ง5้าเนี่ยที่เราได้เคยพูดกันไปตอนก่อนหน้านี้คือรูปเบธนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมค่ ะ, อะไอเจ้า3 5อย่างเนี่ยเอวตันหามันเข้าไปอยู่ใน5อย่างเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ได้อย่างไรพระเจ้าก็อธิบายลักษณะว่าสมมติเรามีตันหาอยู่นะจิตเรายังไม่ปราศจากอวิชชาล่ ะ, ะเราเห็นรูป สมมติ อ, อาจจะมีรถคันหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งเราชอบนี่พราะชอบเนี่ยเราก็จะเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมอกอยู่ซึ่งรูปนั้นนะคนไหนก็ตามที่มีความเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมอกอยู่ซึ่งรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แล้วแต่เถอะอันนั้นน่ยคือความยึดถืออุปทานนะพอมีความยึดแล้วก็จะต้องมีพบมีพบก็ต้องมีการเกิดมีการเกิดก็มีความแก่ความตาย ความสุขความร่ำรวําำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจนี้เพราะฉะนั้นความเพลินนั่นแหละนั่นแหละความเรามีความเพลินในไหนนั่นแหละคือภาวะที่มีอุปทานอยู่ค่ะเพระฉะนั้นพระพุจาจึงบอกให้รักความเพลินรักความเพลินใช่ไหมค่ะอืมนี่คือเรื่องของอริยสัจสี่นะคะค่อนข้างวันนี้วิชาการเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับคนเพื่อนคุ้นเคยก็คือท่านอาจารย์กําลังจะพยายามอธิบายว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงต้นเหตุแห่ง ทุกในที่นี้คือตัณหาใช่ใชะะแล้วก็บอกถึงว่าตัณหามันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงทาให้เกิดทุกข์นะคะสรุปแล้วก็คือว่าเพราะความไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยมันเรื่อยมันมก็เลยทําให้มีองค์ประกอบของความทุกข์ต่างๆไล่มาก่อนจะถึงตัณหาถูกไหมคะถูกต้องนะคะแต่ถ้าตัดง่ายๆดิฉันว่าพวกเราเข้าใจง่ายคือบอกว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไปสัมผัสอะไรแล้ว มันทําให้เกิดชอบไม่ชอบแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาอั่งนั้นก็ ก, ก็ฟังเข้าใจง่ายขึ้นใช่ใช่พูดอย่างนั้นก็ได้<ช>เหมือนกัน<ช>แต่เนื้อเราจะเห็นแง่มุมที่ว่าแหมผู้รู้เชเนี่ยละเอียดรอบขอบทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกตอนบอกหมดอย่างนี้นะใช่ค่ะแล้วดีวฉันเชื่อยอย่างนี้ด้วยนะคะว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะมองเห็นพวกเนี้ยยากใช่แปลกมากเราอยู่กับสิ่งเหล่าเนี้ยแต่เราไม่เคยจาแนกได้อย่างละเอียดว่า เป็นอย่างไรเหมือนพระพุทธองค์นะคะวันพรุ่งนี้ต้องตามตอกลอะนะคะก็ติดตามรับฟังอริยสัจสี่และพุทธประวัติจากพระโอษ์โดยพระภัยบุญอภิปุโนนะคะจากวัดป่าดอนไฮโซดรนธานีวันนี้น้อมักการของพระคุณท่านคะ่ะอาจาริ์พานท่านาฟังที่เคารพคะเราก็พยายามที่จะนําเสนอในสิ่งที่คิดว่ามันเสียทีที่เกิดมาเป็นชาวพุทธนะคะถ้าไม่รู้ก็คืออริยสัจสี่แล้วก็ เสียทีที่เป็นชาวพุทธอีกเช่นเดียวกันถ้าไม่รู้ประวัติของพระพุทธองค์เราให้อย่างท่องแท้ค่ะนี่ก็คือความตั้งใจของรายการสันสนีสนทนาทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมเพเกดเพลินะคะยางไรก็ตามคำถามเราพร้อมที่จะตอบท่านอยู่เสมอส่งมาที่เพียวธรรม .com/106 ของท่านพบูลหรือว่าจะส่งมาที่022690006ค่ะ ที่นี่ขอหนังสือพุทธวจนะที่ท่านอาจารย์เครือฤทิ์วัฒนาป่าพงวัดเดียวกับท่านมาร์กเนี่ย น, นะคะมอบให้พวกเราอยู่เป็นประจำได้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะพุทธวจนะสวัสดีค่ะ